หักความจริงของเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุอหไรแล้วรู้ไปทั้งเวทนาที่ดับไม่ว่าเวทนาส่วนกายไ ม, าไม่ว่าเวทนาส่วนใจสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าท่านพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาได้อย่างนี้จิตเมื่อรู้ชัดตามหลักความจริงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจะต้องถอนตัวออกมาจากสิ่งที่ตนเคยเกี่ยวข้องและกด่วงตัวเอง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 นั่นเป็นตัวตนขั้นหนึ่งซึ่งเป็นฐานหรือเป็นที่อาศัยของจิตชั่วระยะการมาถึงขั้นนี้เป็นตัวตนอีกขั้นหนึ่งคำว่าตัวตนในที่นี้หมายถึงว่าเป็นที่อาศัยเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นพักๆหรือเป็นชั้นๆจิตใจได้ได้ดื่มรสแห่งความเป็นตัวของตัวละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆจนเรามีความสามารถ รู้รอบหอดถอนรูปรขันเวทนาขันสัญญาขันสังขานขันออกหมดไม่มีขันใดจะสามารถซึมทราบเข้าถึงใจนี่เป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งและเป็นตัวของตัวอีกประเภทหนึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นจาก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 รู้เข้าไปอีกยิ่งกว่านั้นย่อมแทงทะลุถึงฐานที่เกิดแห่งขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารอีกอางได้จะอะไรได้แก จ, จิตที่แฝงอยู่กับจิตเดิมนั่นะคําว่าจิตอันนี้หมายถึงเชื้อที่แฝงอยู่กับจิตเดิมยังชําระกันออกไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ก็เพียง ชำละหรือตัดรอนเข้ามาตัดทอนเข้ามาได้แต่กิ่งก้านสาขาต้นของเขาส่วนรากหรือหัวต่อของต้นไม้นั้นเรายังไม่สามารถจะถอนขึ้นได้และยังหัวต่อนั้นยังอาจจะขีขึ้นมาอีกรัดขึ้นมาอีกก็ได้ นั่นเพื่อความแน่นอนจึงควรถอนออกทั้งหัวต่อนั้นให้หมดขาดความสืบต่อในระหว่างรากไม้กับพื้นดิที่ที่จะนำมาหลอ่อเลี้ยงอาหารนั่นเนี่ยหมดหนทางที่ต้นไม้ต้นนั้นจะสืบต่อตัวเองไปได้ <c oughs> เรื่องของใจก็มีทางสืบต่อตัวเองได้ ในลักษณะเช่นเดียวกันกันกบหัวต่อเพราะฉะนั้นปัญญาในขั้นที่ละเอียดจึงต้องสอดลงไปที่จิตอันเป็นที่รวมแห่งขีดเด็ดปัญหาอาสวะทั้งหลายพิจารณาโดยทางปัญญาเช่นเดียวกันกับที่เราเคยพิจารณาจนเห็นชัด ในกิจที่จอมปลอมนั้นแล้รู้โทษแห่งความสั่งสมตัวเองจนปรากฏเป็นพบเป็นชาติเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาภายในตนเองแล้วระบาดออกไปสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยและเป็นโรคระบาดให้ต่อพบต่อชาติเกิดในพบในชาติต่างๆสถานที่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดก็เนื่องจากเชื้ออันสัมพันธ์นี้เด้อ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 จิตที่กําลังถือจิตอยู่การไหนก็ชื่อว่ามีการสังสมกิเลสภายในตัวอยู่การนั้น mm hmm. เมื่อมีการสังสมกิเลสภายในตัวอยู่การไหน mm hmm. ก็มีโอ ก, โอกาสกิเลสนั้นก็มีโอกาสที่จะทําทุกขความทุกขให้แก่ตัวเองแม้จะเป็นส่วนละเอียดก็ต้องชื่อว่าเป็นทุกอย่างหละผู mm hmm. ้มีปัญญา ที่ได้อบรมมาอย่างเต็มที่แล้วจึงสามารถทำลายรังแห่งภพแห่งชาติได้ในจุดนั้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลือร้อยอยู่ความสุขประเภทนี้จะว่าความสุขเป็นตัวของตัวนอกสมมุติก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงความสุขในสมมุติ ถ้าจิตได้ลงเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินอกสมมุติคือเป็นมีมุตไปแล้วนั้นจะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนบรรดาความสุขในธรรมะที่เราได้เคยปฏิบัติและได้ดื่มรสมาเป็นลำดับจะมีธรรมชาติอันนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งในภายในร่างกายของเรา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 ก็เป็นการปฏิบัติอย่างสูงสุดเมื่อรู้จึงรู้อันสูงสุดอัศจรรย์อันสูงสุดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้แล้วเนี่ยหลักธรรมะคำต่างๆครับพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาสอนมาเป็นลำดับๆนี้ถ้าเราจะเทียบประเภทแห่งสินค้าก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่สูงสุดที่โลกสมมตินิยมกันในขั้นของสมาธิ เป็นสมาธิส่วนหยาบบาั้งหรือส่วนกลางก็เป็นเทียบกับ ป, ประเภทแห่งสินค้าประเภทหนึ่งอิทธิเป็นคณิกะสมาธิก็เทียบกับประเภทแห่งสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่ก็สําเร็จประโยชน์แต่ผู้ที่มีมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงขั้นอันสุดยอด นี่จิตดวงนี้เป็นอย่างนี้ถ้าหากเราได้พยายามทำความสนใจไม่มองข้ามจิตดวงนี้ไปพยายามสนใจดัดแปลงแก้ไขตนเองจะต้องเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับตลาดาไปจนถึงเห็นผลอัศจรรย์ยิ่งการเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไม่หาจุดใดลูกธรรมจุดใดว่าเป็นจุดของพระพุทธเจ้าที่แน่นอน แต่จะเห็นจุดเดียวเท่านี้คือพุท ธ, ธการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเขาปฏิบัติมาอย่างนี้การแก้กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยเป็นพบเป็นภายแก่พระพุทธแก่พระองค์ก็เป็นประเภทเดียวกันกับที่เป็นกับเราอยู่เวลานี้วิธีแก้ไขก็แก้ไขวิธีเดียวกันการรู้ก็รู้แบบเดียวกันเป็นเวลาบริสุทธิ์ก็บริสุทธ์แบบเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นคำ ม, มาพระพุทธเจ้ากับเราจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันในทางความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่กับพุทธะเพราะพุทธะนั้นฉันใดพุทธะนี่ก็ฉันนั้นธรรมะ ข, ของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดธรรมรโมปดีโปความสว่างก็จะก็ะ่านแจ้งภารกิจของพระองค์ท่านมีฉันใดอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คำว่าสังฆาท่านรู้อะไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างนี้รู้ตามพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะสงสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูของโลกเป็นหนี้ที่แรกท่านก็บำทรงบำเพ็ญเฉพาะพระองค์เดียวพอรู้แล้วก็มาแนะนําสั่งสอนก็ปรากฏเป็นสาวก ข, ขึ้นมาเป็นลําดับๆตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเป็นลําดับๆเนี่ยเรียกว่าเสด็จตามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นเข็มทิศทางเดินของสาวกแล้วก็ น, นําเข็มทิศอันเป็นธรรมชาติที่รับรองไว้แล้วอย่างสมบูรณ์นั้นมาสอนพวกเราเข็มทิศนั้นก็มีหลายประเภทเข็มทิศคือธรรมะแ้วแต่เราจะพยายามปฏิบัติตนให้ได้ตามประเภทล่ะผลที่จะพึงได้รับเราจะมีความเย็น อ, อกเย็นใจเป็นลําดับหนึ่ เช่นเราอยู่ในครอบครัวเราก็มีธรรมะปฏิมัติในครอบครัวนั้นก็เย็นใจ